และลัทธิหิ น, นยานข้างฝ่ายใต้แล่ว่าหนังสือมิลินทปัญหานี้เดิมคงแต่งในภาษาสันสกฤตหรือภาษาปรากฤริตอย่างเช่นคมภีร์อื่นซึ่งแต่งทางอินเดียข้างฝ่ายเหนือนั้นแต่ฉบับเดิมสาบสูญไปเสียแล้วหากชาวสิงห์นได้แปลฉบับเดิมเป็นภาษาบาลีรักษาไว้ในลังกาทวีปหนังสือมิลินทปัญหา จึงยังปรากฏสื่อปาจนตราบเท่าทุกวันนี้ความพึ่งปรากฏแก่ชาวโยุโรปไม่ช้านานมานักว่าจีนก็ได้หนังสือมิลินทปัญหาฉบับเดิมไปจากอินเดียแต่ดึกดำบันเหมือนกันพวกชาวต่างประเทศที่ศึกษาหนังสือจีนค้นไปพบเข้าจึงได้ทราบความอันนี้แต่ก็ไม่ได้ตัวฉบับเดิมเพราะจีนเอาไปแปลเป็นภาษาจีนเสียเหมือนอย่างหนังสือคมภีร์อื่นๆ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 ออกเป็นภาษาไทยขึ้นในรัชกาลที่สามเป็นอันมากหนังสือเรื่องมิลินทปัญหาฉบับนี้ก็เห็นจะได้แปลถวายเทพในสมัยนั้นต่อมาถึงรัชกาลที่หเมื่อจัดตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยมีหนังสือทำมาจากสุ ข, ของมหาวิทยาลัยพิมพ์ออกเป็นรายเดือนสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส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 กรมศิลปากร9กุมภาพันธ์๒511ภาพประกอบภาพประกอบที่หนึ่งสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชการเป็นที่ประทับของเท้าจะตุโลกบาลทั้งสี่ทิศมีเท้ากูเวนเป็นใหญ่แก่ยักษ์ทั้งหลายอยู่ทิศอุดรเท้าทัตตรศเป็นใหญ่แกคนทันทั้งหลายอยู่ทิศบูรพา เทาวิรูปัตเป็นใหญ่แก่นาคทั้งหลายอยู่ทิศประจิมเทาวิรุณราชเป็นใหญ่แก่กลุ่มพันธ์ทั้งหลายอยู่ทิศทักสินภาพประกอบที่สองเขาพระสุมเมนมีมหาสมุทรทั้งสีล้อมรอบคือปีตสาครนขีระสาครนผลึกสาครและนิลสาครภาพประกอบที่สามภาพประกอบ